Bye. <laughs> สากครังเอวะเมวะอีตโตทินังเปตานังอุปกะปะติสายน้ำไหลหลางมาจากภูผาป่าดงดอน ไหลลงสู่สาครเต็มล้นฝั่งใดชันใดบุญที่ ม, ม่วนญาติมิตรต่างตั้งจิตอุทิศยหยญาติท้งลหลตายจากไปรับถึงได้ดุจเดียวกัน ทฏิทังตุมหังคิปม atu, เมวะสมิชะตุสัเพปูเรนตุสรกปาจันโทปนารโสยะธา นิโชติระโชยาาสิ่งใดใครอยากได้หรือตั้งใจปรารถนานั้นสำเร็จ เสร็จสมพลนันตามที่ท่านบุงไม้ปองดำริตรีดนึกคิดจงสำริตผลสนองเต็มเปียมตามตรีตรองดุดจันเพนเด่นนาพาเหมือนแก้วมณีชด น้ำมไผโรดยิ่งนักหนานึกได้ได้ขึ้นมาเห็นทันตาตามต้องการ สัพพะโรโควินันตุมาเตภวัตะวันตะรายยสุขีที่กายุก ยัน า, ยาอางเว้นไปไกลตัวทานสับพรโรร้อนรำคาญพินาศไปในทันทีประัศจักอันตรายสุขใจกายกเกษมสีที่ขายุ ลุร้อยปีสวัสดีตลอดไปอภิวาทานาสีลิธสันิจจังวุฒาปัจจายน ตัโรธรรมมาวัฒนตินอายุวันโอ ส, สุขังพลังผู้อ่อน้อมยอมทอมตนต่อบุคคลผู้สูงวัย เจ้ารบนบกราบไหวได้รับพรสีประการอายุวันาสุขภรัมแรงแกร่งกลาหารเจริญยิ่งวัฒนาการกเกษมสานนิรันดร